รักคนผิดแม่ยิ่งคิดยิงกลุ่มอยากเอาวัดิ่ตุ่มให้มันตายไปเห็นกงจากลงว่าบัวไม่ได้หล่นมีรักอะไรทั่วพาราเจ็บใจตนหมดเงินตราหล่นชวนมาวังเพียงควักเงินเราแสนประจบโทกแรง้งซบนาสนแต่พอหอมแก้มหล่นลูกตาวาวลง กรยิมหวังได้ชิมแฟนโบกว่าจะรู้พวกหง้อเต็มเตาเจ็บใจตัวอยากมัวเมาหล่อนบอกเราว่าเป็นตอุโบ สุดจะทนเพราะคนรุ่งอ่ำอยู่ก็เงาและเรามีกรรม้ากึืนอยู่ก็ช้ำเพราะไม่เคยไม่เคยวิวาหอกโอถทักคอค อ, อมอง้ากขอบเนื้อคอทองชวดชงเชยครั้นมองไม่หรือก็หาไม่ได้อยากจะฟ้าจะบันก็ไม่ เลยหมดเพรยิง สุดจะทนเพราะคนรุมอําอยู่ก็เงาและเราหิ้วกำหากืนอยู่ก็ช้ำน่าไม่เคยไม่เคยวีว่าห อ, อกโซ่ถ้ากอขอมมองหากอเหือพอส่องชวดชมเชยครั้นมองไม่หรือก็หาไม่ได้อยากจับว่าจับไว้ก็ไม่เจอเลย่อนอแต่มองอ่อนใจเอยหมดตัวเลย หมดรอยิง